ศาสณะสู่ธรรมเรื่องพุทธนั้นไร้ตัวตนชาติชั้นวันนะโดยอาจารย์โกวิศอเนกชัยเขมานันทะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สบหก็นาจะทำนาเขาเอาสายปวามาคียมแล้วก็เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อฝนตก เขก็ต้องพาดต้องทำกิจกรรมต่างๆเดี่ยวกันทำน้ำความขยันบางเพียในเรื่องการวิบัติธรรมะ น, นี้ะครับรอสายความขยันที่จะรู้สึกตัวเช่นเดียวกับกิจกรรมทางโลกเหมือนกันไม่ในการเจริญสติตามวิธีที่ คือผมและฝางนึงแอลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องผูกวงถึงการรักษาศีลงอันมากมายเราโดยยอดแล้วควรจะถือมติว่าการเป็นคนขยันที่จะเจริญสติก็เป็นอนุชายได้พร้อมเสียดคสี ในการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องผิดศีลในตัวแล้วทิ้งนอนเฉยๆเพราะการที่เราไม่เจริญสติขึ้นสภาพปกติของเราจะตกต่ำและอ่อนสีนั้นแปลว่าปกติความรู้สึกตัว ล, ลว้วนๆซึ่งเป็นสภาพปกติอันนั้นถึงสีในสภาพปกตินี้ ได้ต่อเนืน่องกันทั้นั้นคือสมาธิเมื่อสภาพปกตินี้แปลสภาพไปสู่ความรู้แจ้ ง, จ ง, ท, งทู้จริงทั้นั้นคือปัญญากระโรนทานสายเล็กๆกลายเปนแม่น้ำใหญ่จับแม่น้ำกลายเป็นพ่วงทะเลมหาสมุรทรทั้งน้ำจากคนทานเล็ก แ, แม่น้ำแค่ทะ เ, เล ก, ก็เป็นาพาดน้ำอันเดือดขันแต่ทะเลสตินั้นเปลี่ยนเ้มืนสายน้ำเล็กๆใ น, นสายน้ำเล็กๆมันไหลไปขงังรวมกันเป็นแอ่งใหญก็เรียกว่าแม่น้ำอนั้นหมายถึงสมาธิใน แ, แม่น้ำนั้นไหลถึงทะเลเชื่อมโยงกับน้ำซึ่งเป็นจํานวนมากในโลกนี้ อันนั้นชื่อปัญเ น, น่ถ้ารูสิตตัว น, น้อยๆอย่างนี้ก็จะข่มนิวร์น้อยๆได้อุปสรรคทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของสติก็จะระงับลงเมื่อสติฝุดเด่นขึ้นอุปสรรคก็จะระงับลงได้ส่วนนี้นสติต่อเ น, นื่องนม่นจะเกิดอาการจับตัวของมัน ทนี่อจะฟังยากเช่นสมมติเรากำลังขาดสิกำลังนลืนคิดอะไรเกินม่คนมาแปลกอะไระสายความคิดแบบนั้นก็หยุดสิเรียกว่ามันหยุดแต่ว่าถ้าหยุดแล้วีเดวหนึ่งมันก็เกิดต่ออีกมันไม่หยุดครัเพราะาสตินั้นเกิดจากภายนอกที่เพืพ่อนผู้ไดฟังก็มีติดขึ้น ยรืเพนบีบมือก็อรู้สึกตัวเพียงายสิ่งร้าจากภายนอกมันจะหยุดได้บางส่วนเท่านั้นแต่ถ้แม้นหน้าสตินั้นเกิดขึ้นเองในภายในและมีกำลังพอมันจะหยุดโลกทั้งโลกหยุดอิพาวะปั่นป่วนราะวะสร้างซ้ำภายในเะราะวะ่าที่มันปรุงแต่มันจะรูปจับ เมื่อรูดจับแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นสาวกถ้าสากลนั้นไม่ใช่การในต่างประเทศตัวเรานี้เองสภาพชีวิตของเราเนะี่เป็นสากกความรู้สึกตัวนี้เป็นสาวกชื่อเสียงของเรานามท้องถิง่นชื่อนวชีวันทึ่นี้เป็นสมมุิขึ้น ไม่มีส่วนไหนเลยที่เรียกวันละีวันได้ไม่มีส่วนไหนที่เรบอกว่าเป็นประเทศไทยแต่ก็ส่วนที่สมมุติรู้กันหมายรู้กันน้อยแค่นี้แค่นั้นชื่อของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นนกรนายคอร์ะหรือไม่มีชื่อไปเลยโ ด, ดยความเท็จริงข้อเท็จจริงงเรื่องความศักด์จริง เราทุกคนไม่มีที่ชีวิตนั้นถูกร้องเรียกขึ้นว่าชีวิตแต่จริงๆเ้าหาใช่ชีวิตมากแต่เพื่อที่ร้องเรียกสิ่งนี้ให้สื่อกันไดาวเราเรียกว่าชีวิตบ้าเราเรียกวความรู้สึกตัวบ้าส่วนชีวิตนั้นความรู้สึกตัวนั้นขนานชื่อว่านายกรสมพร สุนทรเราเรียกชื่อชีวิตนั้นแล้วถ้าคว่าชีวิตนั้นจะเป็นคร้องเรียกถึงสภาวะอันหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือการร้องเรียกวิธีที่เราจะเรียกมันเช่นไรชื่อเหานี้เราได้ทเทนสภาวะอันนั้นประเทศไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่รายทุกเม็ดนี้ เรียงเม็ดต่อเม็ดจนไปถึงอเมริกาเนเป็นรอบโลกสภาวธรรมตามธ ร, รมชาตินั้นไม่มีชื่อมันมุดร้องเรียกมาพร้าวมาพร้าวขึ้นก็ไปรบกวน อ, อตัวเองให้ต้องร้องเรียกอีกต้นหนึ่งว่าตานแล้วเรียกอนุญาเม็ดซรายทุกสิ่งนี้ราวกดชื่อถึงนั้น ้องฟ้าดวงดาวต้นไม้คนจะ้องเรียกชื่อเมื่อทุกสิ่งมีชื่อหมดแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างมโนภาพจากชื่อนั้นได้เมื่อผมพูดว่าเดินไปซีกตรงนี้ส9บเก้าพบต้นตาลแล้วฟังเราก็รู้เดินไปก็พบต้นตาลแต่จริงรงที่เราพบจริงๆ น, นะใช่ตาลมห มันเป็นความไม่ใช่ต้นตาล ม, มากกว่าต้นตานมังนั้นถ้าจะร้องรียให้ถูกไม่ว่าอะไรก็ตานไฟนี่จะหาใช่ไฟไหมแต่เราสมมติชื่อว่าไฟเพื่อที่จะคิดผ่าทอดความรับรู้แต่กันและกันโดยเฉพาะทําแล้วสิ่งทั้งหมดนี้ครับไรที right ่ ที่จะมาดูสภาวะธรรมในตัวเราุคที่ชื่อเขมานันทะหรืออะไรกีสิทธ์าไม่มีคนทุกคนไม่มีต้อมีสภาวะธรรมอันล้าลึกสภาวะซึ่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ภาวะที่อยู่นอกเหนือสมมติบรรย เป็นสภาพปรมาตุกตัวเรานี่เองคือปรมาตุแต่แม้กระนั้นเรายังต้องร้องเรียกมันว่าปรมาตุนั่นก็เป็นสมมุดหรืบัญญัติเรียกว่าปรมาตุจริงๆว่าตัวเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือ ต, ตัวเราอยู่นอกเหนือภาษานอกเหนือสมุตินอกเหนือบัญญัติและดังนั้น สิ่งที่เราเรียกกันท้งหมดรองเรียกชื่อได้ทั้งหมดเมื่อเราร้องเรียกชื่อสิ่งต่างได้เราก็ล้มลืมจากสภาวะซึ่งร้ายชื่อเราก็ขึ้นโคลนโลกเกลียด ม, มีปัญหากับชื่อกับสมมุติขึ้นเองก็ให้ร้องด่าเราร้องขนานชื่อเราด่าเราระ บ, บุอันนั้นระ บ, บุอันนี้ซึ่งเกลียดพันกับเราเราก็เป็นผู้ เ, เป็นทุกเรื่องสมมูลเพราะเราติดสมมูลเพราะเราไม่รู้จักสมมังเงินนี่เรื่องสมมูลแต่กระเพาะสมมตลนั่นเองที่ทำให้เราสามารถซื้อข้าวซือขอกินได้เพราะสมมูลนั้นยังเป็นสมมตลอยู่มาได้ที่เขาเปลี่ยนแปลงเงนเขาไม่ใช่นั้นเงินเป็นการเสรกดา ไม่มีใคต้องการอีกแล้วสิ่งสมมุติ น, นี้เะะดยการคุ้มตลางห่อหุ้มไม่ให้รู้จักสภาวะที่อยู่นอกเหนือสมมติอันสมมุติเรียกว่าปรมตาอันบัญญัติเรียกว่าปรมตาแต่ที่จริงปรมาท่านแปลว่าไม่อาจลองเรียกอะไร ภาษาไม่อาเข้าไปข้องแหวกัำมันได้เปนดังนั้นเองเมื่อเราร่วมคิดเราก็เริ่มเดินทางเข้าไปในกระแสของสมุดทั้งหมดเป็นเพีงอุบายวิธีที่จะให้รู้จักสมุิโดยใช้สมุดตั้งนี้ก็เลยเกิดความสลับซับซ้อนและ ชวนชนวนถึงหายครับคนที่ไม่รู้เท่าทันเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะขึ้นคนส่วนหนึ่งจับประเด็นได้ในส่วนลำเลยเข้าถึงสาระนคนพวกหนึ่งยึดถวอสมมุติใหม่แล้วก็มีอปาทานในธรรมคิดว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าร้องเรียกขันห้าขึ้นมาไม่ใช่สิ่งทรียกรมรรมะแม้ท่านบอกว่านี่เป็นธรรมะแต่ท่านบัญญัติเรียกขึ้นมา ก็เป็นรูปไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นนามธรรมที่เราเริ่มคิดคล้อยตามเรียว่าเราเริ่มคิดแบบสมมุติเเรื่องกระจัยรักเป็เรื่องสมมุติเท่านั้นแต่เป็นอุบายที่จะค้านที่จะแยง้งจากความคิดเดิมที่คิดแบบเทียนสุขและเป็นตัวตนดังนั้นเป็นอุบายเป็นมายาเพืเ่อลบล้างมายากันทิ้งก่อ ดังนั้นเองศาสนาหรือคำสอนของพระเจ้าจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายการอธิบายของพระเจ้านั้นเป็นการค้านความรู้สึกสามัญของคนสามัญคนทั่วไปที่มีความคิดว่ามีความโลภที่จะสุขเต็นทุกสิ่งอย่างที่มองในแง่ที่มันให้ยังอยู่มองเหาสภาพลาทาวรยืนยง พ่ค้าั้งหลายก็ลืมตายคิดหาเงินไม่คิดถึงธรรมคิดจะอยู่ยังอยู่แม้รั่วาตายแต่ก็ยังยึดถือแล้วไฟหาสุขต้องการจะสร้งเสกับความสุขแล้วก็ยึดถือหรือตาตัวตวนว่าตัวของฉันมีอยู่อย่างจริงแท้สิ่งนี้เป็นตีสุดของทุกผู้คน ขงทุกทุกชาติทุกภาษ า, านี่คือพระพุทธเจ้าท่านประกาศทรรสวนทางกับอีกนั้นเมล็ดกำลังมองหาสุขท่านประกาศว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เมลกมองหาภาวะที่ยั่งยืนถาวรท่านประกาศว่ามันไม่ใช่เมโลกมองหาตัวตนของตัวท่านประกาศว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสีนี้ทความสะพรึง ให้กับผู้คนในอินเดียครั้งนั้นและเป็เหตุให้ผู้คนเกลียดชังพุทธเจ้าเป็นมากถ้าเราอ่านพระสูดบางพสูตรจะพว่าผู้คนเนโจมตีพุทธเจ้ายัางเสียหายเล่นด่าพรเจ้าไอ้พวกหัวขาดพวกทำลายล่าเงาของมนษน์พระาะไปสอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแม่เป็นเช่นนั้นแล้ว ใครมันจะทำความดีใครมันกจะกลัวบาปใครมจะทําบุญเอ่อพระุทเจ้าเม่ตตาสรีใหม่ใหม่โน้มพระไทยในทางไม่สอนเพราะท่านคิดว่าสิ่งท่านรู้นั้นเป็จริงอียดลึกซึ้งปณิสัยของบัณฑิตท่านที่รู้ได้ยากที่ปุถุชนคนธรรมดาที่ยึดถืออย่างเนียวแน่นในอัตตาตัวตันที่เชื่อตัวฉันคือตัวฉัน ทั้งที่ทำความรู้สึกตัวฉันมันเป็นเพียงฟากาลเท่านั้นคือยึดเอาเท่านั้นมันหาไ ม, ม่มูลความจริงเลยรายึดเอาแค่แค่สมมติเัานตัวลงตานร่างกายการ ส, รากสักางศพมันก็เละออกน้ำกัไปสู่น้ำมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้ามันเปนตัวของเ ร, เราก็บังคับ ม, ามาันได้ทำยังไง แต่แล้วผมสักเส้นหนึ่งที่จะไม่ง อ, อกก็ไม่มีตอนนี้เราอายุ20บาง30บ้าง40บางใครใช้มันมาถึง40ใครใช้มันมาถึง30ใครๆก็อยากหนุ่มตรงนั้นใครๆก็ไม่อยากแก่ใครๆก็อยากสวยใครๆก็อยากมีสุขภาพดีแต่มันตามที่เราต้องการได้ไหมเปล่าเลยในสิทมันก็ไม่ทําตาม เป็นช่นนี้แล้วจะยึดให้เป็นของเราก็เป็นเรื่องละเมอไปในขณะที่ในซันคูมินเดียนั้นถือว่าอัตตาตัวตนยจริงมีสภาพย็นยืนถาวรในตัวเราและเมื่อผ่านยงเวียนแห่งกรรมไปถึงที่สุดแล้วอัตตานี้อัตมันนี้จะเข้าร่วมกับปร ม, มัตมนนี่เป็นทีสิสของสันคมินเดีย หือกระบวนการความเชื่อของประชาชนทั้งนั้นแล้วกระบวนการ น, นี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับระบบชั้นวันนะเพราะาอัตราที่ดีก็คือพวกครามอัตราที่สามคือพวกสีอันต่ำกว่าดังนั้นเองที่พเจ้าคัดค้านหนึอัตมันแล้วท่านถือว่าอัตมันเป็นความล้มทิดอันแรกทิศ เพราะันั้นประมารมน์มอความละเมอคพือพกนห้ามกระนั้นทาก็คานวันนะมือพระเจา้าท่านคานหลักอาตมันประมาตมันแลนวก็เป็ะนั้นว่าลมหลักวันนะมเมให้ท่านจับบ่อยนะคนจะดีจะช่วพระกรรมพระกรรมจะทำาดีช่วสูงกรรมเพราะวันนะเพราะท่นหมืนนี้นะคะ เป็นธรรมบายที่พระุทธเจ้า ท, ท่านทนตอบโตอเรงๆกั บ, บความเชื่อของคนทั้งกนั้นเพราะเราลบซากทำจริงหนึ่งว่าพวกเราส่วนใหญ่เองชาวพุณรู้สึกเสมอนว่าพระพุทธเจ้านั้นยิงย่งใหญ่เรารู้ได้อย่างไรั่นแลเราเร า, เราไม่รู้จักใจของเราเราไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ของท่าน ตามประวัติสาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นครูเล็กๆคนหนึ่งในอินเดียที่ไม่ชื่อสำคัญมากแล้วคนอินเดียรั้งกันนั้นไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและมากกว่า น, นั้นเนี่ยเขารุมกันร้อมกรอบทนด้วยเพราะถือพระเจ้าทำร้ายทำลาดหลักความเชื่อพื้นฐานของสังคมนี้ เนื่นจากสิ่งที่เจ้าท่านรู้ท่านเห็นเป็นสิ่งจริงแท้มันจึงไม่อาจถกทำลายได้ง่อยตามที่คนสมัยนั้นต้องการพระเจ้าไม่นานประมาณสามร้อปีหลังพุทธกาลพ <c oughs> ระเจ้าโศกก็ได้ทำให้คำสอนของ พ, พระเจ้าแพร่กระจายไปทั่วทั้งจุลปฐพีต่วันนี้ก็แพร่ไปทั่วโลก อีกไม่ี่สิบปีหน้านี้ที่อเมริกานจะเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมวัฒนธรรมภาคปฏิบัติ <c oughs> จะเดินหาจากท่านเราแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันหายแล้วหละมันไม่ได้รูปแบบของทีรีตองอะไรประเพณีอะไรแบบนั้นซ่งละเมอเพล่พกกันเรามี่อกาอเดินทางไปในต่างประเทศเราจะพบความน่าทึ่งที่ บุคคลที่โนเรียเขาฝลังนั้นมีความรู้อกกระจกับศาสนาอย่างน่าชื่นชมเขาเรียนและปฏิบัติและเข้าปฏิบัติเฉพาะส่วนที่พึงปฏิบัติเท่านั้นครังหนึ่งประเทศในตะวันตกเคยพัฒนาตัวเองทางด้านวัตถุจนถึงที่เี่วเวริเมากมาแล้วเขาคุณพบความว่างเปล่า ขอความเจริญทางวัตถุแล้ก็มองหาสิ่งใหม่เพื่อเติมให้เต็มและสิ่งใหม่ของเขานั้นคือธรรมะินิสสะพระธรรมะนี้มีในประธานตรมในปิชฌาลีศัพทกรรมศัพท์มวิปัสนาอะรนี้รู้กันทั่วหมดในมือนักปฏิบัติธรรมทางตะวันตกเมื่อกขมองหาสิ่งใดที่เติมให้เต็มแลมมมมรรมว้วลาาลาลชาเขาจะพบมัน ในขณะที่บ้านเมืองเราเคยมีเต็มครั้งหนึ่งระวบัตดนี้มันหล่นหายแล้วไม่รู้สิทธิ์ตรวจดัวนั้นไม่ช้าบ้นเมือง น, นี้จะว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อพุทธัสนาไม่ได้ให้ผลตรงๆต่อชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วความเชื่อลอยๆนั้นจะถูกปัติท้เมันจริงก็บพวกเราเป็นจำนวนมากรู้สึกแปลกหน้าจากพุทธัสนา เราไม่ยินดีไม่ชอบรู้สึกพุทธศาสนานี่ครับแค่แหลกนองนั้นก็ดีนะครับเรามีโอกาสที่มนันตรวมกันไมกว่ามีน้อยหนที่เราจะรวมกันในลักษณะาีนรวมกันเพื่อปฏิบัติธรรมจะเบื่อคำพูดคํานี้คาปฏิบัติธรรมคานี้นะครับ เป็นคำที่เกิดกล้องอยู่ในอินเดียแม้ที่วันนี้ปฏิบัติธรรมทำไมต้องถามพื้นฐานมผมเห็นว่าธรรมะนั้เห็นมีประโยชน์อทำไมคนเราต้องลงทุมไปทุกธรมานตนอดข้าวควบคุมตัวเองเจริญสติดเดินจงกรมนั่งสัางฟังที่สิบตัวการทำเี่นนี้ไม่เป็นการตัดแบ่งตัวเองออกจากสังคมหรือ เลาขัดแย้งกับความเป็นจริงทางสังคมซึ่งเราต้องทำงานต้องสัมพันธ์กับผู้คนต้องคิดนึกจุดจองต้องศึกษาต้องรื่นเริงกับหมอรสพต้องแต่งงานต้องเรียนรูปต้องมีกิจกรรมทางเพศกับคู่ครองต้องทำทุกอย่างพรภาระของการมีชีวิตนั้นมากมายหลายประการนะพนิการที่เรามานั่น จเจริญสติอยู่เดินจงกรงมันไม่เป็นการตัดแต่งออกจากชีวิตจริงหรือถ้าเป็นเช่นั้นมันจะสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตจริงเพราะดังนั้นเมื่อมองหาคําตอบและไม่มีคําตอบได้ไม่มีคําตอบให้ได้เลยนั้นเราจึงรู้สึกตัวเองโดยอัตโนมัติว่าธรรมะไปเรื่องชวนหัวไปเรื่องคนโ ง, โง่บ้าๆพวกนี้ที่ไม่สามารถเอาดีทางโลกได้และก็หันไปทางธรรม เป็นชนิ้เช่นนะครับที่นี้มีน้อยคนนักที่จะรู้หรือจะหนักว่าศักยธรรมนะครัการหลักธรรมนะั้นเป็นการสะหาสติปัญญาชั้นสูงศัสนธปฏิบัตินี้นะเป็นการสแสวงหาสติปัญญาชั้นสูง เม่ใช่สติปัญญาข่านโลกโล ก, โลกตามฮุนดาที่เป็นเพียส ม, มุดแปลว่าผมเป็นวิศวกรหรือเป็นโปรเฟสเซอร์สักเรอหนึ่งในทางใทางหนึ่งแต่ผมไม่มีห้องส ม, มุดเพราะว่าเาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรถ้าตอผมเป็นนายแพทย์แต่เขาไม่มียาและผมก็ไม่มีเครื่องมืออย่างดีผมก็ให้ทำอธิบายกับคนไข้ผมกลายเป็นคนริ่มีประโยชน์น้อย การสหาสติปัญญาชั้นสูงนี่ไม่ใช่การเรียนหนังสือการเรียนหนังสือเป็นวัตถุธรรมใหม่หมันลลกนี้่งมีไม่กี่ปีนี้ครับสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่รู้หนังสือพระเจ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับแต่ไม่ได้หมายว่าท่านไม่มีสติปัญญาจงมันข้าวเท่าที่เรารู้จากวัตถุศาสตร์พเจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาชั้นสูง ในคนโบราณเหลนันเมืก่อนหน้านี้ที่90ปีคนเป็นจํานวนมากไปรู้นังสีแต่ก็ระนั้นปกครองบ้านเมงเป็นผู้นำจุนชนมีคนาฉลาดหลักแหลรรมดังนั้นวัฒนธรรมการรู้หนังสือที่เกิดเท่าไหร่แต่การรู้หนังสือจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมแต่บางทีนะ ชีวิตของปัจเจกยังยัดย่อยอยู่เหมือนเดิมคนที่รู้มากมีความรู้ด้านมีสีมากบางทีในชีวิตที่เลวสามนิดกว่าชาวไร่ชาวนาใช่ชีวิตที่เลวสามผมไม่ไดหมายถึงอะไรชีวิตที่มันเป็นทุกข์นเป็นทุกข์ทรมานความทุกข์นี่นแหละคือความชั่วครับความรู้ตัวความมีสติคือความดีความทุกข์นี่ละครับคือบาป ไม่ไ้มีทุกข์ใจแล้วมีบาปแล้วไม่ได้มีนนสติบุญแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรกันให่มากความครี่วินิจใจยในแง่ปรัชญาวา่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรเปนชอบมองง่ายๆขึบาปก็ทุกข์น่ไม่มีความทุกข์ทางใจกับบาปมัวมองเกี่ยวแหแว้ไม่สบายแล้วตกนรกแล้ว ฉะนั้นนรกที่มีครับเมื่อก็เห็นเห็นตํตารพพุทธเจา้าท่านจัสที่ีครับว่าพุทธสุหลายเราเห็นแล้วซึ่งนรกที่ปัจจัสนรกที่ปัจจัสมั้ความว่ามันรู้สึกขึ้นมาได้ครับาอันนี้เป็นเป็นภาวะที่ทรมานางนี้เรศนรกเพราะเราโกรธใครทีหนึ่งตกนรกคนเดียวภาวะที่รุนแ แยงอยู่นเดียวเพราะว่าที่นี่คือนรกเพราะว่าใดที่ลงโทงเพราะว่าที่นี่จะคงจะเป็นสวรรค์ที่นี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงเรารู้สึกได้ครั่อาสมัยพฤติกาลนั้นทวกราม์หรือความเชื่อของประชาชนนิเดียันี่ัดนรกสวรรค์ที่ไหนก็มารูและความลับของนรกสวรรค์อยู่ในกามือของควาหม์ของนักบุต ใครไม่อยากตกนรกก็เอาเงินมาให้นักบวชเสียดีๆในพิธีจัดเครื่องหนึ่งมีการขายหมายยกบาทใครเาเงินให้บวชนะครับแต่ น, นานวาพะประกาศไม่ให้ลงน้เลื่อขายหมายยกบาทเพราะที่นี้นเพราะอออกเีข ด, ดโกงของเรานับวชด้วความนจริงแล้ว ศาสนาที่สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้มันไม่ใช่คำสอนอันบริสุทธิ์ของพระศาสดาพระพุทธเจ้าต้องพูดอย่างไรกับใครเราไม่รู้เรื่องมันเกิดมานานแล้วศาสนาที่เรารับทราบทุกวันนี้นเป็นาศาสนาที่จัดตั้งมาเรียบร้อยแล้วจะได้เลนโบสถ์จึงมีบทบาทุกๆปีจะมีนักบวชหนุ่มเข้าไปสัมผัสกระบบวัดเกิดทุกทรมานะท้่ เปือ่าไม่อาจาทนใช้ชีวิตที่ซ้ำซากอย่างเครื่องจักรเป็นนั้นได้ดังาั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคุ้นหอมโบสถ์และการบวชที่ตัวเราที่ใจ น, นั้นฉะนั้นเมื่อก็บอกชัดแล้วว่าร่างกายนีเแหละคือตัวโบสถ์คือวิหารจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งนี้ต้องถูกจับบูช เมื่จะจังขาวผ่องมันก็บวชแล้วเมื่อ จ, จิตใจอิสระรู้ใจมันก็เป็นพระแล้ว จ, จิตใจมืดมหมูเราร้องกวนกวายตอนนี้ยังยังไม่บวชดตดงนั้นภาวะใดที่เมดมมิเกิดหลงไม่รู้อะไรราวะาจะมีคับบ่า ดางนั้นบาปี่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องฆ่าคนแต่ว่าค่าตัวเองโดยทั่วไปรามมักจะได้ยินข้อวิพากษ์วิจารณ์เชิงพฤติกรรมว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้บาปการพูดเท็จนี่บาปการขโมยของนีบาปการทำอะไรนี่บาปการทำอย่างนั้นเป็นบุญการทำอย่างนี้นเป็นบาปบางทีก็พูดว่าฆ่าคนนี่บาปมาก กว่าฆ่าวัวฆ่าหมาก็บาปน้อยกับาฆ่าวัวที่เพื่อตัวเองเท่านั้นนั้นไปดูในแง่พฤติกรรมด้านนอกแต่ไม่ดูสภาวะซึ่งฆ่าพระถ้าตัวเรานี้เองจิตพระสภาพจิตใจซึ่งจำแจ้งนี้แหละคือพระนี่นในขณนดนั้นไม่มีสติเมื่อไม่มีสตีก็เกิดการสังหารพระขึ้น ดังนั้นในทุกขณะเนี่เราค่าตัวเองตัวทําร้ายตัวเองปิดกัน้นหนทางให้ตัวเองได้เข้าใจและรู้แจง้งปิดกั้นตัวเองตัวเองมันบังตัวเองตัวเรานี่มันบังตัวเราเองเพราะเฉะนั้นใครๆที่พยายามช่วยก็ช่วยไม่ไ้ผู้คนในชั้นพุทการับพบกับพระพเจ้าข้า บงคนก็แอบลิลหลอกท่านบางคนก็นรกกงกังควานพ่าเคอ่านในพระสูตรพระเจ้านั่งอยู่ตเนากีวรคุมหัวชาวมันเดินมาแล้วมันเปิดเห็นโกนหัวแบบนักบวชพวกชาวพุทธมันกถ็ถมมันลายลดหัวของพระเจ้าบางผู้กระรังแกพระเจ้าบางเมงกระรุมกันดาท่านเจ็ดวันเจ็ดคืนยอมอยู่ เรียบเรียนท่านตลอดเลยดังนั้นเราไม่ารู้จักพระพุทธเจ้าโดยภายนอกได้